แนะนำบทอัตตกวีตบทอัตตกวีตเป็นบทมัคคิยาะมี29องค์การบทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงวันกิยามาและสิ่งที่ติดตามมาคือการเขียนแปลงของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่รวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาทะเลแผ่นดินชั้นฟ้าปรสสุสัก์และมนุษย์จักรวาลจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นเวลานานทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะกระจัดกระจาย ไม่มีสิ่งจะคงอยู่เว้นแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและผันแปรอันเนื่องมาจากความกลัวต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงแห่งองค์การและคุณลักษณะของท่านดบีและกลุ่มชนผู้ถูกสนทนาด้วยองค์การซึ่งถูกประทานลงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาออกจากความมืดมนแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งวิชาการและการอิมาท บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงความผิดในข้ อ, ขอกล่าวอ้างของพวกมุสุลิกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นเป็นพ่อตักเตือนของอัลลอฮ์แก่วงบ่าวของพระองค์ด้วยพระนามของอ AH, ัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายและเมื่ออูดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ป่าถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจับเป็นคู่และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเล่าเขาจึงถูกฆ่าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกการแผ่ และเมื่อชั้นฟ้าถูกเปิดออกและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจา้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำเข้ามาใกล้ลกมมทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมา ข้าขอสาบานต่อดวงดาวพิซซอนตัวในเวลากลางวันที่โครจรรับดวงข้าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสงอ แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูนยิบรออีนผู้ทรงเกียรติผูมมม้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงนพระเจ้าแห่งบัลังที่มั่นคง ผู้ได้รับการจงรักพักดีผู้ซื่อสัตย์นะที่โ น, น้นนักี่พระผู้เป็นเจ้าและสหายของพวกเจ้าคือมุฮัมมัดนั่นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดแต่โดยแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นยิบรอีนนัขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเขามัวหมัดไม่ใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับดังนันกุรอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาปแช่นและพวกเจ้าจะไปทางไหนล่ะอินหัวอิลลาบิครลลอลอาลีลลิมันชาอมินกุมอัยยัสติก กุรานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งหมดสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางทีงง่ถูกถูกและพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ล l l a h พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์